ออ้อ้าอ้าวอ้ดวอ้าอ้าวอาวอ้าวอนาวอ้ากอ้าวอ้าวาวอุาวอ้านอ้าวอ้าวอนาอ้าวอ้นวอ้าวอ้าวอ้าร้องอ บาปก็โกกรรมก็สร้างทางเข็นใจเหมือนในกา้าเป็นทาดยังอาจริขาดสติพ้นจากทาสาุสาสัยยังหวนมาลงยา พาทุกใจเผาหมองไหมทำทุกอย่างทางอบาย